ถ้าอย่างนั้นความยึดมันมาจากไหนโอมันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อดีตชาติยาวนานโพ้นแล้วมันเป็นอันเนี้ยมันมันติดมากับจิตเลยมันมาติดมากับไอ้จิตวิญญาณนักขันปฏิสุนที่วิญญาณไงที่มันมาผสมกับธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอะแล้วก็ไอ้วิญญาณนักขัเนี่ยมันจะไม่มีนักขันวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุที่เป็นปฏิสุนที่วิญญาณ มันมาติดมาเนี่ยก็ในร่างกายเรามีขันห้าใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวขันห้าเลยนะเนี่ยค่ะแล้มันคืออะไรอ่ะมันก็คือติดมันติดมากระทาดไงมันติดมากระทาดเนี่ยเราในร่างกายเราตอนนี้ใช่ไหมเราเป็นขันห้าพราอผสมกันเป็นขันห้าใช่ไหมแต่ธาตุดั้งเดิมไม่ได้หายไปไหนอะธาตุดินน่ะธาตุดินจะเป็นของแข็งอ่ะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่ม้ามตัปอดหัวใจเนี่ยเป็นขันห้าร่างกายเราเนี่ยมาเป็นขันห้าแล้วแต่ขันห้าเนี่ยมันประกอบด้วยดธาต ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้แต่ไปรู้หลงบวกอวิชชาอวิชชาเนี่ยมาติดมาที่ธาตุเนี่ยมนติดมาที่วิญญาณธาตุมันติดที่ธาตุแล้วก็พอมันไธาตุเนี่ยมันมารวมกันขันธ์ห้ามันก็เลยพอมันรวมเป็นขันธ์หาปุ๊บเอ็ธรรมดาธรรมชาติของขันธ์หามีแต่หน้าที่แต่มันยึดติดอยู่ที่ธาตุธาตุรู้เนี่ยมันรู้หลงอืม แต่ขันห้าเนี่ยมันเป็นอักเป็นปฏิกิยาตามธรรมชาติมันปฏิกิยาธรรมชาตินี้มันไม่ได้เกี่ยวกับหลงไม่หลงแต่ความหลงเนี่ยมันมายึดติดอยู่ที่ธาตุคือวิญญาณธาตุหรือปฏิส่วนที่วิญญาณที่มาผสมกับสเปิร์มของพ่อที่เป็นธาตุดินไข่ของแม่ที่เป็นธาตุน้ำแล้วตอนเนี้ยแม่ก็กินธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเข้าไปแต่ไอตัวไอตัวยืนพื้นมันเนี่ยที่มันไม่ต้องกินเข้าไปอ่ะก็คือไอธาตุรูหรือวิญญาณธาตุซึ่งมัน จริงๆกุศบัดของมันม่ขวบเป็นความว่างแต่มันยังไม่ว่างที่ใบสุดคือมันมีอวิชชายึดติดของมันเลยมันติดมันติดอยู่ในธาตุเลยตอนนี้มันจะเกิดเป็นเปเป็นนาุูลกายสัตวโลกไปเป็นเทวดารูปร่างเปลี่ยนไปเป็นคนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปตอนนี้มันเปลี่ยนไปกี่ร่างมันไปยึดเอาไอ้ร่างที่เกิดมาใหม่ทุกชาติไปว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเราหรือเราเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นตัวที่มาเกิดใหม่นี่แล้วเราลืมไปเลยว่าเราแต่แเนี่ยมันคือไอไอตัวธาตุไอวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ย ที่มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับเลยคุณสุบัติของมันเนี่ยมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับมันเป็นความว่างแต่มันยังเป็นความว่างที่บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะมันบวกอวิชชาผสมอยู่มันเลยยังไม่เป็นเหมือนกับทองคําอ่ะมันยังไม่ได้ถลุงแร่ธาตุที่ปลอมปนออกไปคือยังไม่เอาวิชายังไม่ทะถูกถะหลงออกไปแต่ด้วยความที่มันมันโง่แล้วมันก็หลงยึดว่าไอตัวที่ผสมเสร็จเนี่ยคือตัวเราตัวเราเนี่ยคือตัวนี้พอตัวเราจะเป็นอะไรจะจะจะเจ็บจะตายจะเป็นอะไรโอ้โหจนกลัวตายจะเป็นโรคศาสตร์เลย วมันไปยึดเอาไว้ไอตัวที่ผสมเสร็จเนี่ยเป็นตัวเราทุกชาติไปเวลาพอชาติไหนเราจะตายมันก็เลยร้องห่มร้องไห้แล้วกลัวตายการเสื่อมกระสนแล้วก็ผู้ายยึดพอยึดไอตัวที่ผสมเสร็จเป็นตัวเรามันก็ไปยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดพ่อแม่พี่น้องยึดสมบัติพุทธสถานบ้านช่องมันก็เอาตัวเราเนี่ยที่มันหลงกัาตัวเราเนี่ยตัวเป็นขันห้าผสมเสร็จเนี่ยไปยึดอย่างอื่นทั่วเลยมันจนกว่าจะมีพบคําสอนของพระเจ้ามีผู้ชี้แนะ เนี่ยอย่างเนี้ยว่าเออขันห้าที่มันผสมเสร็จเนี่ยมันก็เพียงแค่ประสมมาแล้วก็ทําหน้าที่ขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสมันเป็นผสมแล้วก็เป็นนัดทชีวิตทําให้เกิดมีชีวิตไปตามปกติธรรมชาติให้มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณมีความรู้สึกมกคิดอารมณ์มีความจําได้ไหมายรู้มีการรับรู้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นเป็นกระบวนการของชีวิตขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสความไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไปยึดเอาไอ้ไอ้ล่างของตัวเองเนี่ย ในแต่ละชาติหร่าว่าเป็นตัวเราความหลงเนี่ยมันติดอยู่ในธาตุรู้อาวิชาเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับไงมันไม่แตกไม่ทําลายแต่ความหลงมันยังไม่ดับเนี่ยไอ้ดินน้ํำลมไฟแตกไปหมดอะแต่อิธาตุรู้ไม่เกิดไม่ดับเอาวิชามก็เลยไปด้วยแต่นี้ไปไปด้วยความหลงความยึดอีกเหมือนเดิมมันก็ไปหาร่างใหม่แต่นี้่พบว่ามันจะอยู่โดยไม่มีร่างไม่ได้มันก็ติดไปตามบุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่ยังให้ผลได้เพราะว่ายังมีความยึดอยู่มันยังไม่ยังไม่หายตัวคือไปหนึ มีผู้ถามกุฏิเจ้ากุฏิการว่าอาวิชามาจากไหนเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาสรสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสรยาธนาผัสสะเวทนาตันหนาวประธานภพชาติธามรณะโสกัปปิริเทวทุกขะโทมรนณนะทุปลายาศทุกตกเต่าเสียใจขับแกนใจแล้วก็เพราะอาวิชาอีกอะติดภัยก็ไปเกิดใหมาอีกเพราะอาวิชาเป็นปัปปนปจจัยเกิดสังขารเพราะสัติตอีกสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณคือปฏิสติวิญญาณมาเข้าผสมผสมเสร็จทาให้เกิดนามลูกมาอีก นาลูกขันห้าขึ้นมาอีกก็ขันห้าก็มีสลายยานะมีประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจขึ้นมาอีกแล้วก็พอเกิดสลายยานะก็มีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติมีชะลาบารณะมีโศกกริเทวะทุกขะโทมันอุบายยาสาทุกตกเศร้าเสียใจกับแก้นใจเมื่ออาวิชาไม่ดับไปเกิดสร้างร่างใหม่เพราะอาวิชาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสังขารเพสมก็ติดอีกก็เป็นอย่างเงี้ยวนไปไม่จบสิ้นจนกว่าอาวิชาจะดับ เพราะอวิชาดับเพราะอาวิชาดับไปสังขารจริงดับหมดสิ่งที่จะผสมติดแล้วเพราะวิชาดับไปสังขารจริงดับเพราะสังขารดับวิญญาณเลยดับวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่ไม่มีไงไอวิญญาณที่ออกจากล่างมาเลยดับนะไอวิญญาณที่ออกมาเป็นกายโปร่งแสงอะที่มันเป็นตัวยึดอะที่เป็นกายโปร่งแสงมันเลยดับนะพวกที่มาเชิญวิญญาณจะเอาวิญญาณไปลงโทษเอาไปไม่ได้เพราะว่าวิญญาณดับแล้วโอวิญญาณดับหมดแต่ตอนนี้ดับหมด ท้งกระบวนารเลยน้ำลูปดับสลายยถะผัสสะเวทนาตันหนาวประทานภพชาติฉลมมาบวรณาทุกดับหมดเรียบร้อยแั้นอวิชาตัวเดียวที่มีปัญหาแล้วพีผู้ถามว่าแล้วอวิชามาจากไหนพวกมันเริ่มต้นเดีย ว, วิชาก็อวิชามาจากอาสวะหรืออนุสัยอาส ว, ว, วะก็แปลว่ากิเลสเครื่องดองสันดาลที่ค้ามภพข้ามชาติสั่งสมมาหรืออนุสัยก็คือการสั่งสมความเคยตัวเคยใจ ในการคิดการพูดการกระทําที่เป็นไปตามกิเลสก็คืออันเดียวกันน่ยคือไอ้ตัวกิเลสเครื่องดองสันดานไอ้อาสวะก็คือความเคยตัวเคยใจที่ปรุงแต่งไปตามกิเลสทางการคิดการพูดการกระทํำมันก็คืออันเดียวกันเนี่ไอ้อาสวะก็คือกิเลสเครื่องดองสันดานไอ้เด็กเครื่องดองสันดานก็มาจางไหมันดองสันดานได้ก็เพราะว่าชอบคิดชอบพูดชอบกระทําไปตามที่ความเคยตัวเคยใจมาหลายภพหลายชาติ มันก็เลยกลายเป็นสั่งสมพอสั่งสมความเคยตัวเคยใจออกมากเข้ามันก็เลยกลายเป็นอวิชาที่หลงยึดจนเป็นนิสัยมันเลยสิ้นยึดไม่ได้สักทีเนี่ย ไ, ไอตัวเนี้ยอาสวะอนุสัยเนี่ยมันเป็นพ่อแม่ของอวิชาเราส่านกล่าวไว้จริงไออาสวะหรือนิสัยเนี่ยนิสัยสันดาลเนี่ยไม่ได้แปลแปลคำหยาบนะไ อ, อ, อ, อสันดาลนิสัยสันดาลเนี่ยคือทําจนเป็นความเคยชินจนเป็นเนี่ เคยชินตัวแรกก็เป็นความเคยชินนางนเข้าเป็นนิสัยสนางนาข้าวเป็นสันดาลเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็นางนาข้าวก็เลยเป็นอาสวะหรือนุสัยเนี่ยพอตายแล้วมันก็กลายเป็นสั่งสมติดไปตัวเนี้ยมันเป็นพ่อแม่ของอวิชชาเวลาพอจะสาเร็จอวิชชาจะดับอวิชชาดับแล้วเนี่ยไอ้นิสัยสันดานมันไม่ให้ผลอีกแล้วก็ เ, เรียกว่าอาสาวะข ย, ายาัยานวิญาณอย่างรู้ว่าบบบนี้นิสัยสันดาลที่ ที่ไปสั่งสมความยึดอะไรไว้ให้เป็นทุกข์หมดสิ้นไปแล้วอ้วแล้วสันดานนั้นจะยังมีอยู่ไหมคะอะไม่มีแล้วไอ้ที่เลยสันดานที่ใส่สันดานที่ไปก่อให้เกิดกิเลสที่ไปยึดอะไรที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นความทุกข์ไม่มีเหลือแต่วาสนาที่ที่ดับไม่ได้วาสนาที่ดับไม่ได้คืออันนั้นเนี่ยไม่ได้ในการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อกิเลสว่าปรุงแต่งไปเพื่อเป็นกิเลสทางการคิดการพูดการกระทำเนี่ยดับสนิทแต่วาสนาเนี่ย ที่เคยเกิดมาเป็นเสือไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้เป็นกิเลสมันเคยเกิดเป็นเสือมาหลายชาติมันก็ดุเเคยเกิดเป็นลิงอะภาษาลิบุตรเคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติเป็นเป็นพญาเป็นหัวหน้าลิงมาหลายชาติไอ้ตัวที่เกิดเป็นหัวหน้าลิงมันก็ชนเกิดมาเป็นภาษาริบุตรเป็นพระอรหันต์อ克拉สาวบกเบื้องขวาก็ยังชนเหมือนลิงชนมากเลยใช่กริยาการใช้ลิงติดมาไงตัวนี้มันไม่ได้เป็นกิเลสมันเป็นวัฒนาที่ติดของเก่ามาก็ยังติดมานัอรหันต์แต่ละท่านเนี่ยถ้าเราไม่มียาอย่างรู้จริงๆอะ เราจะไปดูถูกท่าไม่ได้เห็นตกลงภายนอกก็อะไรมันเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านเนือวาสนามันดับไม่ได้เพราะว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาหลายชาติเมื่อนิสัยก็ติดมาไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นกิเลสแต่มันเป็นมันเคยเกิดมาเป็นลิงเป็นเสือเป็นอะไรมาที่มันมันเคยเป็นมามันก็จะติดมาเลยแล้วก็จะดุดุมากบางทีบางโอก็ดุผมก็เจดียเบตตาไม่เหมือนกันเป็นวาสนา แต่ที่หายเปเหมือนกันคือความหลงยึดเอาวิชาทำไป